เราไม่ได้เจริญสติประธานสี่เราไม่ได้เจริญสัมมาประธานสี่เราไม่ได้เจริญอิทธิบาทสี่เราไม่ได้เจริญอินทรี่ห้าเราไม่ได้เจริญพระละห้าเราไม่ได้เจริญโพชฌงเจ็ดเราไม่ได้เจริญอริยมรตมีองแปดเราไม่ได้กำหนดรู้ทุกเราไม่ได้ละสมุทัยเราไม่ได้เจริญมากเราไม่ได้ทําให้แจ้งซึ่งนิโรธเนี่ยพวกนี้ก็เดือดร้อนใจเนี่ยนะเดือดร้อนเพราะว่าเจริญกุศลธรรมคือข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงพระนิพพานไม่บริบูรณ์ยังไม่ได้ ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรักผลนิพานหรือผู้ที่ปฏิบัติไม่ได้บรรลุมรักผลนิพานโดยมากก็เดือดร้อนใจเนี่ยนะที่พระองค์เตือนเสมอว่าอย่าเดือดร้อนใจในภายหลังนะจะต้องเรียบภาคเพียรเนี่ยตอนที่ยังมีเรี่ยวมีแรงมีสติมีปัญญายังมีกําลังตอนที่พระศาสนายังเจริญยังไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเนี่ยนะ ยังไม่มีภัยอาเพศในบ้านเมืองเป็นต้นเนี่ยนะเป็นสมัยที่ดีอย่างยิ่งที่จะเจริญศีลอินทรีย์สังวรโพชเนมตันยุตาชาคุริยานุโยคสติสัมปชัญญะโพธิปัขจะธรรมทำกิจในอริยสัจกําหนดรู้ทุกละสมุทัยเจริญอริยมรรคทำพระนิพพานให้แจ้งเพราะฉะนั้นอัญญานวิโมก ค, คือนิพพานนั่นแหละเป็นเครื่องกั้นความราคาญเป็นเครื่องปิดคือเป็นเครื่องกั้นเครื่องละเครื่องสงบ เครื่องสละคืนเครื่องระงับความรําคาญทั้งหลายเป็นอมตะนิพานเพราะฉะนั้นเราขอบอกอัญญานวิโมกอัญญาวิโมกตัวนี้น่าจะหมายเราขอบอกพระนิพานน่ะนะอันเป็นเครื่องละกามฉันท่และโทมนัสทั้งสองอย่างเป็นเครื่องบรรเทาความง่วงเป็นเครื่องกั้นความรําคาญ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 นะมีสัมมาสังกัปปะเนี่ยนำหน้าเังางั้นเธอความตรึกประกอบด้วยธรรมนั้นมีในเบื้องหน้ามีข้างหน้าเป็นประธานแห่งอัญญาวิโมกแม้ด้วยเหตุอย่า ง, างนี้ดังนี้จึงชื่อว่ามีความตรึกประกอบด้วยธรรมเล่นไปข้างหน้านะถ้าจะบรรลุอรหัตตะพนก็ต้องสัมมาสังกัปปะนำหน้าก่อนนะถ้าไม่มีสัมมาสังกัปปะมาก่อนบรรลุได้ยังไงอรหัตเนี่ยนะ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 อีกอย่างหนึ่งวิปัสนาในการเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งมรรคสีตรัสว่าความตรึกประกอบด้วยธรรมวิปัสสนานั้นมีในเบื้องต้นมีข้างหน้าเป็นประธานแห่งัญญาวิโมกแม้ด้วยเหตุอย่างนี้ดังนี้จึงเชื่อว่ามีความตรึกประกอบด้วยธรรมเล่นไปข้างหน้าค า, าว่คว า, วาความตรึกประกอบด้วยธรมม ร, ร, ยธรมเนี่ยนะมีสามในในแรกหมายถึงสัมมาสังกปะที่นาหน้าในที่สองสัมมาทิฐินาหน้า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 ความไม่รู้ในอดีตความไม่รู้ในอนาคตความไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทนะอวิชชาความไม่รู้ความหลงอวิชชาที่เป็นเหมือนลิ่มสลักความหลงอกุศลมูลนี้ชื่ออวิชชาอัญญาวิโมกคืออรหันตวิโมกนั่นแหละเป็นเครื่องทำลายวิอวิชชาคือถ้าเครื่องทำลายวิชาเนี่ยนะต้องวิโมกอนั้นมีนิพานเป็นอารมณ์นั่นแหละ ความว่าเป็นเครื่องทุบเครื่องต่อยเครื่องทำลายเครื่องละเครื่องสงบเครื่องสละคืนเครื่องระงับซึ่งอวิชชาเป็นอมตะนิพา น, นนะถ้าจะละความงโง่ความหลงความงมงายได้จริงๆก็เมื่อบรรลุนิพานอันสรุปว่าเราขอบอกอัญญาวิโมกคือ อ, อรหัตตวิโมกอันมีอุเบคามีสติคืออุเบคาในฌานสีสติในฌานสีที่หมดจดดี มีความตรึกคือสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิวิปัสสนามนหน้าเนี่ยนะที่เรียกว่าความตรึกประกอบด้วยธรรมเล่นไปข้างหน้านะนนี้ผ่านนั่นแหละเป็นเครื่องทําลายอาวิชชาทีนี้อุทยมานพอุทัยมานพนี่ก็ถามต่อไปว่าโลกมีอะไรเป็นเครื่องประกอบไว้อะไรเล่าเป็นเครื่องเที่ยวไปของโลกพระองค์ตรัสนิพานเพราะละอะไรเสียได้นะโลกเนี่ยนะคือเราเนี่ยอะไร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 คำถามแรกก็คือโลกมีอะไรเป็นเครื่องประกอบไว้สองบอกว่าอะไรเป็นเครื่องเที่ยวไปของโลกสามนิพพานเนี่ยเพราะอัตตวัละอะไรเสียได้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสตอบว่าโลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้เนี่ยเนเพลินเนี่ยนะคือไม่ยอมไปไหนสักทีนะเนี่ยแบกติดข้องอยู่เนี่ยก็เพลินนั่นแหละเนี่ยนีก็เหมือนก็ว่า ทำไมดูหนังอะไรทั้งอะไรเนี่ยประกอบให้ติดอยู่กับทีวีดูอยู่กับทีวีได้ทั้งวันอ่ะนะความเพลินนั่นแหละประกอบให้อยู่กับทีวีได้ทั้งวันเป็นต้นเนี่ยนะทำอะไรชมสวนได้ทั้งวันเนี่ยก็เพลินนั่นแหละทำให้ชมสวนอยู่ได้ทั้งวันอย่างไงวิตกเนี่ยเป็นเครื่องเที่ยวไปของโลกนั้นก็เติกคิดไปเรื่อยอใช่ไหมเรากล่าวว่านิพพานเพราะละตันหาเสียได้ที่นิพพานนิพพานเพราะสิ้นตันหาเพราะละตันหา คำว่า ism, ความเพลิดเพลินเนี่ยเป็นชื่อของตัณหาราคาสราค้าอภิชาโลภาอกุศลมุงเรียกว่าความเพลิดเพลินคำว่าโลกเนี่ยมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องคล้องเครื่องผูกเครื่องมัวมองของโลกโลกอันความเพลินนี้ประกอบไว้ประกอบทั่วเหนี่ยวรั้งผูกไว้คล้องไว้พันเอาไว้ตัณหาเนี่ยมันเพลิม <sm ert number item related> ันคล้องเอาไว้อยู่นั่นแหละ แล้วก็วิตกเนี่ยเป็นเครื่องเที่ยวไปของโลกวิตกมีเก้านะหนึ่งกามวิตกสองพยาบาทวิตกสามวิหิงสาวิตกเรื่องที่เราคิดไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะคิดจะเอามั่งใช่ไหมคิดโกรธไอคนที่ไม่ให้วังคิดเบียดเบียนบั่งนะก็ก็คิดอยู่เท่านี้แหละบางทีก็คิดถึงญาติบ้างคิดถึงชนบทบ้างคิดถึงเทวดาบ้างบางทีก็วิตกปฏิสังยุตด้วยความเอนดูผู้อื่นอั น, นี้ถ้าพระนะเห็นชาวบ้านอุปถาเขาเดือดร้อนก็เดือดร้อนไปกับเขาเห็นก็สุขก็สุขไปกับเขาพวกนี้แหละ หรือวิตกปฏิสังยุตคิดถึงเรื่องลาบสการะและความสรรเสรินโอ้ยอยากได้ปัจจัยสี่อยากให้คนยกย่องนับถือเคารพกราบาไหว้เนี่ยนะหรือวิตกปฏิสังยุตไม่อยากให้ผู้อื่นดูหมิ่นตนทำยังไงคนอื่นจะไม่ดูถูกดูแคลนนะคิดอยู่แค่นั้นนะนะมีช่องไหนจะให้คนอื่นก็ดูหมิ่นกัดตัดตัตเอาไว้อย่าให้เขาดูหมิ่นเราอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าอากุศลวิตกวิตกเก้าอย่างนี่เป็นเครื่องสัญจรไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไป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 คิดถึงหลับสการะสันเซิญไม่อยากให้ใครมาดูหมิ่นดูแคลนเนี่ยเนี่แหละเป็นเครื่องคิดคิดไปอยู่คิดอยู่เท่าเนี้บางคนนะทํามาหากินส่วนหนึ่งก็เพราะไม่อยากให้ใครมาดูหมิ่นนั่นเองอคิดแต่เรื่องเนี้นะรักษาตรงนี้เอาไว้อันวิตกเนี่ยเป็นเครื่องเที่ยวไปของโลกจริงๆ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 เพราะฉะนั้นสรุปว่าโลกมีความเพลิดเพลินคือตันหาเป็นเครื่องประกอบเอาไว้วิตกเป็นเครื่องเที่ยวไปของโลกเกรากราวนิพานว่าเพราะละตันหาเสียได้นิพานเพราะละตันหาทีนี้อุทยามานโกรธถามว่าเมื่อโลกมีสติเที่ยวไปอย่างไรวิญญาณจึงดับแปลว่าปฏิบัติยังไงจึงจะดับวิญญาณได้จริงๆ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 คําว่ามีสติเที่ยวไปอย่างไรความว่าเมื่อโลกมีสติสัมปชัญญะอย่างไรเที่ยวไปเที่ยวไปทั่วพลัดเปลี่ยนอิริยาบถเป็นไปรักษาบํารุงเยียวยาพราะฉะนั้นกเรียกว่าโลกมีสติอย่างไรโลกก็คือเรานั่นแหละมีสติเที่ยวไปยังไงเจริญสติยังไงคําว่าวิญญาณจึงจะดับ น, นะบอกว่าถ้าเจริญสติอย่างนั้นต้องดับวิญญาณได้นะมีเงื่อนไขนะถ้าพูดอีกในหนึ่งก็บอกว่า เดินทางยังไงจะให้ถึงกรุงเทพภายในวันนี้อย่างงี้ยนะภายในเที่ยงเที่ยงนี่แหละจะต้องถึงกรุงเทพอย่างเงี้ยนะลักษณะเนี้ยคำถามแบบเนี้ยไอ้แค่เดินทางก็ก็ก็ชัดแหละแต่ทีนี้เอาเป้าหมายบอกต้องถึงตรงนั้นด้วยนะเัคําว่าวิญญาณจึงจะดับความว่าวิญญาณดับสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระงับแสดงว่าท่านเบื่อนหน่ายในความคิดเนี่ยนะเออปฏิบัติยังไงนะจึงจะเลิกหมดจะได้หมดความคิดสักทีหนึ่งจบสักทีหนึ่งไอ้ความคิดเนี่ยนะ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 พวกข้าพระองค์จะขอฟังพระดํารัสนั้นของพระองค์ความว่าพวกข้าพระองค์จะขอฟังศึกษาทรงจําเข้าไปกําหนดพระดํำรัสถ้อยคำทางถ้อยคําเทศนานุสนที่ของพระองค์เพื่อนั้นสรุปคําถามว่าโลกมีสติอย่างไรเที่ยวไปวิญญาณจึงดับนะปฏิบัติมักย่างไงจึงดับทุกดับทุกได้เพื่อนคําถามนะสรุปว่าปฏิบัติตามมักย่างไง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 เมื่อพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาคือพิจารณาเห็นเวทนาเก้าที่กล่าวไปเนี่ยในภายนอกนะคือสุขทุกข์อุเบกขาเวทนาสุขมีมิตรไม่มีอมิตรทุกข์มีมิตรไม่มีมิตรอุเบกขามีมิตรไม่มีมิตรเนี่ยนะพิจารณาในภายนอกแล้วก็เมื่อโลกพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ต้องเอาทั้งสองนะไม่ใช่เอาแต่ภายในอย่างเดียวหรือภายนอกอย่างเดียวเอาทั้งภายในทั้งภายนอก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 ความเกิดขึ้นและความเสื่อมแห่งเวทนาทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกเมื่อโลกพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นในเวทนาทั้งหลายภายในและภายนอกอยู่เมื่อโลกพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมไปในเวทนาทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกเมื่อโลกพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ตั้งอยู่ด้วยความติดใจซึ่งเวทนา คือย่อมละย่อมบันเทาทําให้สิ้นสุดทําให้ถึงความซึ่งความไม่มีซึ่งความเพลิดเพลินในภายหลังเห็นไหมที่เรียกว่าตัดความเพลิดเพลินความพร่ำถึงความติดใจความยึดถือความจับต้องความถือมั่นเพราะฉะนั้นเมื่อโลกพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายด้วยอาการ12อย่างนี้โลกจึงจะไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ตั้งอยู่ด้วยความติดใจซึ่งเวทนาเห็นไหมคือย่อมละ บันเทาทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีถึงความพร่าถึงความติดใจความถือไว้ความยึดมั่นแปลว่าสลัดความติดใจในเวทนาได้ทั้งหมดท่านยกมาเวทนาสิบสองนะข้อแรกก็พบเวทนาภายในสองภายนอกสามทั้งภายในและภายนอกสี่ความเกิดของเวทนาในภายในห้าความเสื่อมในเวทนาภายในหกก็ทั้งความเกิดทั้งความเสื่อมในเวทนาภายในเจ็ดก็ความเกิดขึ้นในเวทนาภายนอก แปดความเสื ah a, st, e 11, kingdom, 12, ่อมในเวทนาภายนอกเก้าทั้งความเกิดทั้งความเสื่อมของภายนอกก็สิบเอ็ดก็ความเสื่อมทั้งภายในทั้งภายนอกสิบสองก็ทั้งาข้อสิบเอ็ดนะความข้อสิบนะสิบเห็นความเกิดขึ้นในเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกสิบเอ็ดความเสื่อมไปของเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกสิบสองก็ทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในเวทนาทั้งภายในและภายนอก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 เป็นอ า, าพาธเป็นอย่างอื่นเป็นสภาพชำรุดเสียดอุบาทไม่สําราญเป็นภยัยอุปสรรคหวั่นไหวผุพองไม่ยั่งยืนไม่มีอะไรต้านทานไม่มีอะไรเป็นที่เร้นไ ม, นะไม่มีสาระไม่มีที่พึ่งว่างเปล่าศูนย์เป็นอนัตตาเป็นของมีโทษเป็นของที่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ไม่เป็นแก่นสารเป็นมูลแห่งทุกเป็นผู้ฆ่าปราศจากความเจริญมีอาสวะอันปัจจัยปรุงแต่งเป็นเยื่อของมารเป็นของที่มีชาติชรามรณาโซโกะปริเทวทุกขทโทมนัสและอุปายาตเป็นของที่เศร้าหมองเป็นธรรมดาเป็นของพิจารณาโดยความเกิดความดับความไม่มีอัาธะเนี่ยนะมีแต่อาทีนวะตัวเวทนาเองไม่ใช่นิสรณะนะเนี่นาะ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 ถ้าเจริญเวทนานุปัสนาได้ย้ำดังกล่าวไปเนี่ยนะวิญญาณจึงดับความว่าวิญญาณอันสหรคตด้วยปุญญาพิสังขานปุญญาพิสังขารอาเนินชาพิสังขารจะดับย่อมดับสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้นั่นนะถ้าปฏิบัติเวทนานุปัสนาดังกล่าวไปนะปฏิบัติไปอย่างนั้นเนี่ยนะกรรมวิญญาณจะดับถ้ากรรมวิญญาณดับชาติก็ดับถ้าชาติดับวัตถทุกทั้งมวลก็ดับนะถ้าเจริญเวทนานุปัสนา